ก็ได้พูดเรื่องการปฏิบัติที่แต่ละคนจะรู้สึกว่ายากง่ายแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างคนที่มีราคะโทสะโมหะมากมันก็มารบกวนในรูปของนิวรณ์ ก็มีในรูปของความนึกคิดที่ไม่ดีก็มีรวมทั้งความง่วงที่มันก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติหรือว่าความรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยที่พักไม่ดีคุ้นเคยกับความสะดวกสบายพอมาปฏิบัติในสภาพเช่นนี้ก็อาจจะรู้สึกว่า mm. ต้องลาบากต้องฝืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์าปฏิปทาอย่างหนึ่งคือ ปฏิบัติด้วยความยากลําบากแต่บางคนก็ปฏิบัติง่ายนะสะดวกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกลําบากอะไรกับวิถีชีวิตความงงก็ไม่มารังควานความที่ยังนึกถึงอาหารที่<ข> อ, <ๆ>อร่อยที่คุ้นเคยก็ไม่มีมารบกวนหรือว่าเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ทําแบบโหมด้วยความอยากจะได้คนที่ปฏิบัติยากเพราะว่า ส่วนหนึ่งอยากจะได้อยากจะบรรลุไวๆหรือว่าทำด้วยความตั้งใจมากอันนี้ก็ทำให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นทุกขาปฏิปทาแต่คนที่ไม่ได้แต่ปฏิบัติด้วยความอยากมีอยากเอาเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักวางใจให้สบายสบายอันนี้ก็กลายเป็นสุขาปฏิปทาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่ปฏิบัติง่ายรู้สึกสบายจะได้ผลไวหรือว่าคนที่ปฏิบัติยากต้องสู้กับดีวรนต่างๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลช้ามันก็เหมือนกับนักเรียนที่ฉลาดหั ว, วัยแต่ขี้เกียจการที่จะมาให้เขาเรียนหนังสือนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝืนเป็นเรื่องยากไม่เหมือนกับนักเรียนที่ขยันนักเรียนที่ขยันนี่ให้มาเรียนหนังสือก็สบาย จะนักเรียนที่ขี้เกียจนี่หรือชอบเล่นเนี่ยจะให้มานั่งเรียนหนังสือนี่เ้าไม่ชอบนั่นรู้ํำบากที่ต้องเรียนหนังสือแต่เนื่องจากเขาหัวไวเพราะนั้นเมื่อเขาเรียนแล้วเ็าก็สามารถที่จะจบได้ไวกว่าคนที่ขยันแต่ว่าสมองอาจจะไม่ค่อยไวเท่าไหร่คนอย่างนี้เรียนหนังสือก็อาจจะเรียนเรียนง่ายสบายแต่ว่าจบช้า แต่บางคนถ้าสมองทึบถึงแม้จะขยันก็จบช้าเหมือนกันต้องเรียนด้วยความยากลำบากแล้วก็จบช้าแต่เนื่องจากมีความขยันก็จบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของความยากความง่ายในปานการปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสแค่ไหนพูดง่ายๆมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะได้ผล เร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอินทรีย์นะภาษาพารากรอินทรีย hmm. ์ก็คือว่าความฉลาดเช่นปัญญาความเพียรหรือสมาธิแล้วก็มีสติอยู่ของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อยู่แต่เดิมอยู่แล้วบางคนก็มีทั้งลาคาโทสะโมหะแต่ก็มีความเพียรมีปัญญา แม้จะมีความง่วงแต่ว่าก็มีความวัยในการเข้าใจธรรมะมันก็ไปได้เหมือนกันอย่างพระโมคคลานันีิก็ได้ชื่อว่าคนที่ปฏิบัติยากปฏิบัติลําบากแต่ว่าบรรลุได้ไวภาษาเลบุตรนี้ก็ได้ชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุได้ไวแต่ว่าพระโมคคลา น, นันนิถึงแม้ว่ายากก็ยังบรรลุได้ไวกว่า ภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานนี่ไม่ได้ฉลาดแล้วก็ลําบากปฏิบัติด้วยความลําบากเพราะความง่วงมารบกวนมากไม่เหมือนภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรนี่ไม่มีความง่วงมารบกวนหรือกิเลสตัวอื่นแล้วก็มีผู้ที่มีปัญญาไวแต่ถ้ามาเทียบกันแล้วก็ภาษาลิบุตรก็บรรลุธรรมได้ช้ากว่าพระโมคคัลล า, า, านะพระโมคคัลลานี่เจ็ดวันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ละ พราะสารืบุตรนี่ต้องสิวันแต่ว่าก็บรรลุทำได้เพียงแค่ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศให้กับคนอื่นเพราะสารืบุตรก็นั่งฟังไปก็บรรลุทำนะแต่พระโมคคัลลานี่เรียกว่าต้องต้องปฏิบัติต้องสู้กับความง่วงสารพัดนะก็บรรลุรมได้แลว้วคณะนี่บางคนก็เรื่องนี้อย่าไปนึกว่าโอ้ถ้าฉันปฏิบัติยากแล้วโอ้มันคงจะเห็นผลช้า อันนี้มันไม่แน่เสมอไปหรือคนที่ปฏิบัติง่ายก็อย่าประมาทคิดว่าเดี๋ยวฉันก็ได้เห็นผลเร็วละอันนี้มันไม่เกี่ยวมันเป็นคนละส่วนกันนะปฏิบัติยากง่ายเป็นเรื่องของกิเลสแต่ว่าปฏิบัติได้ผลช้าหรือเร็วก็เป็นเรื่องของ see. อินทรีย์ในการปฏิบัตินี่มันก็อย่างที่เรารู้กันมันก็ต้องมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอนะจะเป็น สิ่งที่เรียกว่านิวรณก็ดีหรือว่าอากุศลวิตกก็ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นสำหรับนักปฏิบัติในการปฏิบัติที่นี่เราไม่ได้ใช้วิธีกดคมถ้ามันมีนิวรณเกิดขึ้นจะใช้วิธีกดคมหรือว่าจะปฏิเสธผลักสายมันแต่ที่จะปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช้วิธีทั้งเพ่ง แล้วก็ไม่ปล่อยใจให้เผลอแต่ว่าให้ใช้วิธีรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นให้มีสติรู้รู้ด้วยสติสติคือความรู้ตัวไม่ลืมไม่หลงจากนี้ถ้าสติยังอ่อนบางครั้งอารมณ์มันมาแรงสติก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเหมือนกับรถที่แล่นมาเร็วเรเนียเบรกยังไม่ดีพอ เบมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสู้กับมันตรงๆจะใช้สติดูมันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีหรืออุบายอย่างอื่นเข้ามาเสริมในเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไปว่าถ้ามีอกุศลวิตกหรือว่าความคิดที่ไม่ดีรวมทั้งนิวรณ์ด้วยนะเกิดขึ้นพระองค์ก็ได้แนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มตั้งแต่การไปพิจารณาหรือเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์นิมิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสีแสงเสียงที่ได้ยินในปฏิบัติแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราเอามาเป็นอารมณ์หรือเป็นฐานของการปฏิบัติเช่นลมาหายใจหรืออย่างที่เราทานี่ก็สร้างจังหวะเดินจงกรมหาสิ่งอื่นมาเป็นนิมิตแทนหรือมเป็นที่กาหนดของจิตแทน คือเรียกว่าเปลี่ยนความสนใจนะของจิตออกไปอย่างเช่นถ้ามันง่วงมากเราจะลองมองไปข้างนอกอาจจะไปมองไปที่ท้องฟ้าหรือว่ามองไปที่ดอกไม้พิจารณาอยู่ตรงนั้นหรือว่ากำหนดจิตยอยู่ตรงนั้นเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ถ้าเรามีสติไปรู้ความโกรธเนี่ยบางทีความกลัวมันก็เล่นงานเราจมเข้าไปในความโกรธก็ต้องไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดสนใจแทนในเรื่องนี้แม้พระพุทธเจ้าบางทีก็ใช้วิธีว่าให้ทบทวนข้อธรรมที่ได้เรียนได้ฟัง เ, เวลาสู้กับความง่วงมันง่วงมากๆเนี่ยกนแนพระโมคคัลลานะวาเนี่ยให้ทบทวนข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังมา พอได้ทบทวนนี่มันมันก็หายง่วงได้เหมือนกันอันนี้ก็เลือกเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทนถือถ้าจะไปอยู่กับความง่วงก็อยู่ไม่ไหวหรอกแล้วก็หาสิ่งอื่นมาเป็นที่จดจอ่อหรือที่กําหนดจิตแทนวิธีหนึ่งที่อาจจะไม่ไม่นิยมให้ใช้ใ บ, บ่อยๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะพอช่วยได้เป็นวิธีการที่ควรจะใช้เป็นวิธีท้ทยายๆเช่นเวลา ง, ง่วงเนี่ย เวลาเรานึกถึงใครสักคนที่เราโกรธเราเกลียดนี่มันก็หายงวงได้เหมือนกันนะนึกถึงคนที่เราโกรธเกลียดนี่มันสว่างขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับถูกไฟจุดแต่วิธีนี้ก็ไม่ควรจะใช้บ่อยมันมีผลเสียเหมือนกันเหมือนกับเราจะไล่หนูที่มาทำรังในบ้านเนี่ยถ้าเราใช้วิธีจุดไฟไล่เงี้ยโอ้มันมันก็เสี่ยงนะถามว่าไล่หนูไปมันก็หนูก็ไปนะแต่ว่าบางทีก็ อาจจะอันตรายต่อ บ, บ้านของเราไอ้โทษสาที่เกิดขึ้นเพื่อระ ง, งับเพื่อจะสู้กับความง่วงนี่มันก็มีข้อเสียมันกันถ้าหากว่าเอานิมมิ อ, อื่นมาเป็นอารมณ์แล้วไม่หายก็ให้พิจารณาโทษของอารมณ์นั้นอย่างเช่นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นความหงุดหงิดเกิดขึ้ น, น, นพิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเราโกรธเขาแล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีแต่เราที่ลำบากที่เราเป็นทุกข์ แล้วก็ถ้าหากว่าไม่หายก็พ่านว่าอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นั้นเลยอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นั้นถ้ายังไม่หายอีกก็พิจารณาว่าไออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหาสาเหตุของมันแล้วถ้าไม่หายอีกก็ใช้วิธีเอาลิ้นกดเพดานปากนี้ทั้งหมดที่พูดมานี้ถ้าจะพิจารณาแล้วก็แยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการไม่เอาใจใส่กับอารมณ์ หรือเรียกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์คือไม่สนใจมันอากุศลวิถตกเกิดขึ้นนี่แล้มันเข้ามาลบกวนใจเราก็หันไปสดจอยอย่างอื่นแทนเรียกว่าไม่ใส่ใจหันหลังให้มันจะไปสู้กับมันตรงๆก็ไม่ได้ก็หันหลังให้มันหรือว่าไปแต่ใจกับวิธีสิ่งอื่นแทนอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันอยู่ปกติอยู่แล้วเช่นเวลาเราเครียดเรากลุ้มก็ไปฟังเพลงหรือว่าไปหาขนมอร่อยอร่อยกิน นี่เป็นวิธีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันไม่ดนะีเพราะมันเป็นการพึ่งพาสิ่งภายนอกมากแล้วก็มันเป็นการทําให้ใจนี่ไปจมอยู่กับเรื่องทางการ ม, มากขึ้นแต่เป็นวิธีที่คนใช้บ่อยบางทีก็เข้าหาเล่าเข้าหาความสุนสนานหรือไปเที่ยวชนะ้อปปิ้งไปเที่ยวห้างเพราะว่ามันเครียด น, นี่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะว่าอารมณ์ที่เราเอามาเปลี่ยนนี่มันเป็นอารมณ์ที่หยาบที่มันไปนกระตุ้นราคะหรือว่าไปกระตุ้นความหลงเราควรใช้อารมณ์ที่ดีกว่านั้นอย่างเช่นไปไปมองดอกบัวให้มันหายง่วงเวลาเวลาเราง่วงเวลามอกไปข้างนอกหรือมอกไปที่ท้องฟ้านี่มันใจมันสว่างนะใจมันเปิดโล่งเหมือนท้องฟ้าอย่างเช่นเวลาเดินเคยมีการเดินธรรมยัตรานะเดินธรรมยัตรา เราก็ให้เจริญสติไปว่าถ้าหากว่ากายมันร้อนแต่ใจไม่ร้อนกายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อยแต่คนที่สติไม่แข็งแรงเนี่ยก็ทาไม่ได้นะแต่ก็ใช้วิธีที่จะสู้กับทุกขเวทนาขณะที่กาลังร้อนขณะที่กำลังเมื่อยเนี่ยจะสู้กับมันยังไงก็ใช้วิธีนับนับเกเอาใจไปอยู่ที่การนับ น, นักเรียนที่มาจากกรุงเทพเนี่ย ลองเวลาแน่ให้เขาลองนับเก้าดูวันแรกก็ไม่ค่อยได้แต่วันที่สองนี่พอนับไปแล้วเขาสึกสบายขึ้นคือมันเมื่อยน้อยลงอไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะใจไ ม, ไม่ได้ไปรับทุกขเวทนาทางกายแล้วใจไปอยู่ที่การนับแทนนับได้เป็นหลายพันเก้าทีเดียวหรือบางทีเราก็บางคนก็ใช้วิธีว่านั่นไปกําหนดอยู่ที่เสียงกลองมันมีกรองตีอยู่ข้างหน้า พอใจไปอยู่ที่เสียงกรองอันนี้กรองก็กลายเป็นนิมิตแทนก็ดึงจิตออกไปจากความร้อนความเมื่อยก็หายหายร้อนหายเมื่อยได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีที่เราว่าเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทนเพื่อที่จะดึงจิตออกไปจากอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลกับความง่วงก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันบางทีเราก็เปลี่ยนอิรียบทจากนั่งมาเป็นยืนหรือถ้า ยืนไม่หายก็เดินเดินไม่หายก็คว้าไม่กวาดมากวาดเอาจิตมากำหนดอยู่ที่การกวาดพื้นกวาดใบหญ้าแทนอันนี้ก็เรียกว่าดึงจิตออกไปจากความง่วงได้เหมือนกันอันนี้เลือกเลือกเปลี่ยนอารมณ์ส่วนที่2นี่ก็คือการใช้ความคิดหรือว่าใช้ปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาอารมณ์นั้น อันนี้เราใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์วิธีแรกเนี่ยก็เป็นการดึงจิตออกไปจากอารมณ์โดยการเอาสิ่งอื่นมาเป็นนิมิตแทนหรือเป็นเป็นจุดสนใจของแทนวิธีที่2คือว่าการเอาปัญญามาพิจารณาอารมณ์นั้นที่เรืกาอกอกุศลวิตกหรือนิวรพิจารณาว่ามันเป็นมันมีโทษอย่างไรบ้างตอนที่ที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ย มันก็หลุดออกไปจากอารมณ์นั้นได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันก็ง่วงมันก็เครียดนะพอเรามาคิดมันพิจารณามันมันก็เปลี่ยนฐานนะจากไอ้ตัวความรู้สึกว่าฉันง่วงฉันเครียดเนี่ยนะอันนี้มันเป็นตัวอัตตาเป็นตัวอัตตาที่เข้ามาหรือว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนที่มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์นั้นพอเราเปลี่ยนฐานจากอัตตามาเป็นปัญญาเนี่ยมันก็ ช่วยทำให้คลายจากอารมณ์ที่กำลังรบกวนได้เหมือนกันพิจารณาโทษของมันหรือสาวหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไรการที่เรามาคร่ควรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าไอาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีอย่างไรบ้างก็ช่วยได้เหมือนกันบางคนก็หนักไปทางด้านการทิศการคิดพอได้คิดเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเออ เห็นเลยว่าไม่รู้จะฟุ้งซ่านไปทําไมไม่รู้จะคิดห่วงกังวลคนที่บ้านไปทําไมนะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ทํำอะไรไม่ได้ห่วงไปก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้มันก็ช่วยลดไอ้ความที่ตกกังวลได้บางคนก็มีความรังเลยสงสัยว่าทําไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าสงสัยว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะนะที่จะมาปฏิบัติเอาไว้ มีอายุมากกว่านี้ค่อยมาปฏิบัติก็ไดนะ้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาปฏิบัติมันก็จะมีความคิดแบบนี้มาลบกวนซึ่งทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นนะอันนี้เป็นวิจิกิจชา้าแล้วก็อุทธจธักกุจจักจนะความกังวลความร้อนใจกนะิเลสมก็ปรุงนิวรณ์เหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะลบกวนการปฏิบัติเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาเพื่อที่จะ มองหเห็นว่าไอ้นี่มันคิดแบบนี้ไม่มีประโยชน์การเห็นโทษของอารมณ์นั้นเหล่านั้นคือการมองว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันจะลังเลสงสัยยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นจะวิตกกังวลยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรือถ้ามองไปเห็นดึงโทษของมันยิ่งกว่านั้นอย่างเช่นเห็นว่าความโกรธนั้นมันมันเผาจิตของเราแม้เราจะคิดร้ายหรือว่า อยากจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างไรแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเป็นคนแรกก็คือเราถ้าพอพิจารณา่านี้เขา้ามันก็ช่วยทำให้ปล่อยวางได้อันนี้นี่คืออุบายในการที่จะจัดการกับอารมณ์ต่างๆจริงๆมันยังมีเรื่องของกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราลองใช้กายให้เป็นประโยชน์เช่นเดินให้ช้าลงอาการเดินให้ช้าลงก็ช่วยทาให้ฟุ้งซ่านน้อยลง บางคนคิดฟุ้งซ่านส่วนหนึ่งเพราะว่าสร้างจังหวะเร็วพอเราสร้างจังว้ชา้าลงความคิดมันก็พลอยชา้าลงไปด้วยหรือว่าการทอดสายตาก็มีส่วนทอดสายตามองไปไกลๆนี่มันคือฟุ้งซ่านเอง่ายนะแต่สําหรับคนที่ง่วงเนี่ยการที่หรือเครียดเนี่ยการที่มองไปไกลๆก็ช่วยได้เหมือนกันหรือมองเงยหน้ามองท้องฟ้าโดยเพราะมาถ้าเกิดว่าเป็น บริเวณที่เราปฏิบัตินี่เป็นบริเวณที่เห็นทองฟ้าได้ได้กว้างๆได้มากเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ใจนิสว่างขึ้นคนเวลา ง, ง่วงเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับจับเหมือนกับสะที่มันมีจอกมีแหนะปกคลุมมันทึมๆแต่พอเราเห็นฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าจอกแหนะถูกเปิดออกมันสว่างขึ้นการมาไปไกลๆข้างหนาง้าไกลๆก็ช่วยได้ อันนี้ช่วยสําหรับคนที่ง่วงหรือว่าเครียดแต่ถ้าฟุง้งซ่านอยู่แล้วมองไปไกลๆนี่ทำไม่แย่ก็ต้องทอดสายตาอย่าให้ไกลยอย่าให้ไกลาจากตัวมากนักเช่นแค่เม็ดหรือเม็ครึ่งนะจากเท้าหรือว่าจากตัวก็พออันนี้เราก็อาศัยกายเนี่ยมาเป็นตัวช่วยใจเวลาเกิดราคะหรือว่าเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดความเครืยดนี่ลองสังเกต ด, ดูลมหายใจของเรามันเป็นอย่างไร ลองสังเกตส่วนกายของเราว่ามันเครียดมันตึงแม่กัดฟันหรือเปล่ากำมือหรือไม่เมื่อเรารู้เช่นนั้นเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทั้งสครั้งเนี่ยหรือว่าคลายมือแล้วก็อย่าไปกัดฟันเวลาเราคลายกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้ใจนี่คลายไปด้วยมันสัมพันธ์กันมากในสองเดียวเวลาเราเครียดที่ใจเนี่ยมันก็ทําให้กายเราเครียดด้วยตึงเกร็ง ในหลายๆส่วนของร่างกายเราก็ช่วยป่อบคลายจิตใจด้วยการที่เราคลายส่วนกายอันนี้แหละมันช่วยได้ให้ลองใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแก้อกุสลวิตตกหรือว่านิวรันที่มันเกิดขึ้นกับใจการก้มโดยก้มหน้ามากไปก็เครียดนะแต่ถ้ามองออกไปไกลๆก็ฟุ้ง อะไรที่มันพอดีพอดีเนี่ยแต่ละคนกำหนดได้เองแม้แต่ความเร็วความช้าในการเดินของแต่ละคนเนี่ยพอดีแค่ไหนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนคอยไปดูคนอื่นว่าเ้าเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นโดยคิดว่าไอ้อย่างนั้นแหละเป็นจังหวะที่เหมาะกับตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เพราะแต่ละคนนี่ก็มีวิธีการมีความพอดีไม่เหมือนกันแม้กระทั่งการแก้อารมณ์หรือแก้นิวรณ์ต่างๆนี่มันก็ มีวิธีการไม่เหมือนกันยาตัมมานี่เปลี่ยนอิเลียบทเนี่ยช่วยได้มากหรือว่าถ้าง่วงมากก็ใช้น้ําล้างหน้าหรืออาบน้ําไปเลยอย่าพยายามนอนโดยเพราะถ้ามันเป็นความง่วงนอนเพราะว่าใจมันเบื่อใจมันเซ็งบางทีก็นอนเต็มที่แล้วนะแต่เราปฏิบัติแล้วมันง่วงปฏิบัติแค่10นาที20นาทีก็ง่วงอันนี้มันเป็นอาการที่ใจแล้วมันไม่ใช่ง่วงเพราะกาย ถ้านอนน้อยนี่แล้วง่วงนี้มันก็น่านอนอยู่แต่ถ้านอนได้เต็มที่แล้วยังง่วงอยู่อันนี้มันเป็นอาการที่ใจแล้วถ้าเรานอนไปนะก็ถ้ากับว่าเสร็จเสร็จกิเลสกิเลสมันเล่นงานเราไปแล้วนั่ต้องพยายามสู้อย่าไปนอนและยิ่งสู้นะั้นมันก็ยิ่งง่วงมากขึ้นนะมันมันก็ยิ่งเดินขึ้นเท้าก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยแต่พอเราขึ้นไปถึงยอดละคราวนี้สบาย แล้วเวลาเดินลงมาก็ลงได้สบายมันจะมีจุดของมันที่เราต้องสู้นะจนถึงจุดที่เรียกว่ามันเกือบจะไม่ไหวแล้วแต่พอผ่านจุดนั้นไปทุกอย่างก็ปลอดโปร่ง ล, ล ง, ลงสบายอันนี้เป็นเรื่องที่เร า, าสามารถจะเรียนรู้ได้นะสรุปก็คือว่าถ้าเราใช้วิธีรู้ด้วยสติท่นเนี่ยดีที่สุดนะแต่ถ้าว่าเราไม่มีสติแข็งแรงพอที่จะ รู้อารมณ์เหล่านั้นเพราะรู้ไม่ทันก็โดนมันงับไปทุกทีรู้ไม่ทันก็โดนมันลากไปทุกทีถ้าสติไม่ทันก็ใช้วิธีเปลี่ยนอารมณ์ไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนซึ่งอันนี้อาจจะเรี่ยวใช้วิธีแบบสมัตก็ได้เปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทนจะอยู่ในตัวหรืออยู่นอกตัวก็แล้วแต่หรือว่าใช้วิธีเจรนาอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเข้ามาจัดการก็คือสมวิธีนี้จะเป็นวิธีการสําคัญสติสมาธิปัญญา อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่การใช้กายให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเดินการก้มการเงยการมองหรือว่าการใช้ลมหายใจเข้ามาช่วยผ่อนคลายความเครียด